บุกทูห <french> ้าส <ate teaches> ิบเก้าเกัสชมเดวินที่ทำการไปรสนีบัสเดมที่ทำการไปรสนีที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนคุรีราอาร์ติเมอัส ที่ทำการไพรส์ น, สนีไกลาจากที่นี่ไหมอาร์ e ตลีอิกรตาส้ไรส์นีที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนกริรอาอิดีฉันต้องการสเต็มสองสามดวง Man r ร i k กแค่ลูกพัสดุเรื่องสูงสำหรับการและจดหมายอัตวิรุคุยหร k อลายสุขค่าส่งไปรษณี m e ไปอเมริการาคาเท่าไหร่โคกซีเรซุนที่โมโมคัสติ k ซียอเมริกาพัสดุหนักเท่าไร่กีกวซน ดิฉันส่งทางจดหมายอากาศได้ไหม a r g e l สติ d ี e อ r o p a ส t o ใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าพัสดุนี้จะไปถึง Capilgias es c a p i l g a t ตรุกส x c ล l i g a t e สดิฉันโทรศัพท์ได้ที่ไหน Curga l u p ั s c a m p ิ คุณรตู้โทรศัพท์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนคุณมีบัตรโทรศัพท์ไหมคะอ ล, ลคุณมีสมุดโทรศัพท์ไหมคะอาร์ุตคุณทราบรหัสโทรศัพท์ของประเทศออสเตรียไหมคะ Ar žinote ต u อ t r i j o s k o d อ p r รอสักครู่ขอดูก่อนนะคะมโนเทียลออสทร์เปจูเรซูสายไม่ว่างตลอดเวลาล i นิเยฟสุมเอตวิชมตาคุณต่อเบอร์อะไรกูคิดว่าไม่ดีสุดแล้ว n ูนะคุณต้องกดศูนย์ก่อน Pirmiausia, turite rinkti 0.